ในโลกนี้นะมีสปปรรพสิ่งเป็นล้านๆอย่างก็ว่าได้นะนี่เฉพาะรูปธรรมนะท่านนำมรรมนี่ก็นับไม่ท้วนแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆก็มีแค่สามนะหนึ่งของที่เราชอบสองของที่เราเฉยๆและสามของที่เราไม่ชอบทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เนะี่ย เอาของจริงมีแค่สามหรือว่าอาจจะยอดหรือสองนะคือของที่เราชอบกับของที่เราไม่ชอบไอ้ของที่เราไม่ชอบนี่เราก็ไม่ค่อยอยากแตะต้องเท่าไหร่ไม่อยากเกี่ยวข้องนะไอ้ของที่ชอบเนี่ยเราอยากจะเข้าหาอยากจะมีอยากจะเสพอยากจะเข้าใกล้เพราะว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ถ้าพิจารณา ด, ดูดีนะ ไอ้ความทุกข์นะชื่อมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นเพราะของที่ไม่ชอบนี่แหลนะนปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยครั้งนะก็เกิดเพราะของชอบนะไอ้ของไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยสร้างปัญหากับเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยอยากแต่ต้องนะ คนหลายคนชอบบุหรี่นะชอบเหล้านะชอบกาแฟและสุดท้ายก็ป่วยหรือว่าล้มตายก็เพราะบุหรี่เพราะเหล้านะหรือว่าเจ็บป่วยก็เพาะเนี่ยกาแฟหลายคนก็ชอบนะการพ น, น, นันนะชอบเที่ยวกลางคืนสุดท้ายชีวิตก็เรียกว่าย่ำแยหรือหยนะนะ ไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยได้ทำให้เราเกิดปัญหาเท่าไหร่นะเพราะเราหนีห่างมันอยู่แล้วที่พูมื่กี้นี่พูดถึงนะสิ่งเสพติดนะแต่ถึงแม้ไม่ใช่สิ่งเสพติดนะหรืออบายามุกเนี่ยดูมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผู้คนก็ยังเป็นทุกข์ก็เพราะของที่ชอบนะอย่างเช่นอาหารเนี่ยนะ คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะของชอบนะกินน้ำตาลเยอะนะชอบกินเนื้อนะชอบกินของหวานพอกินเยอะะเข้าเป็นไงก็เกิดโรคชาวบ้านบางคน จํานวนมากเนี่ยในอีสานเป็นโรคแบบพยาธิเป็นโรคมะเร็งในตับเพราะอะไรนะก็เพราะของชอบนะชอบอะไรชอบปลาดิบนะชอบกินของดิบนะในนั้นก็มีพยาธิใบไม้ในตับเสร็จ แ, แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ตายนะตายเพราะของชอบคนที่เป็นเก่าเป็นพ่ออะไรลนะ เพราะของชอบใช่ไหมพวกกินชอบกินเครื่องในชอบกินปีกไก่ะเป็นต้นก็นอลองดูดีดนะคนทุกวันเนี่ยป่วยเนี่ยหรือว่าเจอความทุกข์เนี่ยก็รู้แล้วแต่เพราะของชอบบางคนชอบกินของทอดบางคนชอบกินของเค็มบางคนชอบกินของหวานสุดท้ายก็เก็บป่วยแล้วก็ล้มตาย เวลาเราไปตักอาหารเนี่ยพิถึงบอกให้พิจารณาอาหารเนี่ยหลายคนพิจารณาก็พิจารณาคือเลือกกินของชอบนะอาหารที่เราไม่ชอบไม่เคยทําอะไรเราเลยนะอาหารที่เราชอบที่เราไม่ชอบเนี่ยมันไม่เคยทําร้ายเราเลยอาหารที่มันทําร้ายเราคืออาหารที่เราชอบทั้งนั้นแหละนะเพราะพอเราชอบแล้วกินเยอะเนียพอกินเยอะเข้าเนี่ยก็ Creation, เกิดปัญหา ม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจเป็นไขมันไม่ว่าเป็ น, น, น, อ, ปนอ่าเกลือนะที่มันมาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารมันก็มันสะดวกมากขึ้นนะของชอบเนี่ยก็เราเข้าถึงได้ง่ายหรือว่ามันมาหาเราได้ง่ายขึ้นทนี่ที่แต่ก่อนเนี่ยนะของชอบหรืออาหารที่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยมาหรอกนะ แต่เด๋ยนนี้เนี่ยมันมาง่ายมากนะเพราะว่ารถก็มาสะดวกนะการคมนาคมหรือเศรษฐกิจของคนก็ดีขึ้นถ้าลองพิจารณาดูนะคนเราเนี่ยทุกเพาะของที่ชอบเนี่ยมากไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้าหรือว่ารถยนต์นะเพราะชอบเงี่ย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 มันไม่เคยทาให้เราเหนื่อยเลยไม่เคยทําให้เราทุกข์เลยนะอันนี้ลองดูไปจนนะของที่เราไม่ชอบนี่มันสร้างความทุกข์กับเราเยอะนะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะบางคนชอบนะชอบเกมติดเกมเล่นเกมทั้งวันมีชาวเกาหลีคนหนึ่งนะเล่นเกมทั้งวันอาจจะเรียกว่าทั้งวันก็ไม่ใช่นะเพราะต้องทำงาน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 จะได้เล่นของที่ชอบก็เลยเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเขานี้ไม่ต้องทํางานแล้วเนี่ยนะบอกว่าแกเล่น36ชั่วโมงนอนสต็อปเลยนะเล่นจนตายนะไม่รู้ว่าช็อกตายหรือว่าหัวใจวายตายนะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับเลยนะกินก็แทบจะไม่กินก็นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเล่นเล่นเล่น สามสิบปกชั่วโมงอันนีนะ้ตายเพราะของชอบนะไม่ใช่ตายเพราะของไม่ชอบแล้วเราต้องระวังนะนะเพราะว่าของที่เราชอบนี่เรามักจะติดมันได้ง่ายแล้วก็ประมาทด้วยนะอาหารนี่เป็นตัวอย่างเนึงนะ้งที่ว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ ย, ยเจ็บป่วยล้มตายก็เพราะของที่ชอบนั่นแหละไม่ใช่เพราะอาหารที่ไม่ชอบเลยเพราะว่าอย่างที่เรา ก็คงสังเกตได้อะไรที <S an> ่เราไม่ชอบเราก็ไม่แตะเมื่อไม่แตะมันก็ไม่ทําอะไรเราไอ้ที่ชอบนั่แหละนะเราก็แตะต้องเสพกินหามาแม้จนทั้งป่วยแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ยังเรียกขอกินข้าวเหนียวทุเรียนขอกินไอติมขอกินช็อกโกแลตหรือว่าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยก็ยังขอกินข้าวขาหมู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 ก็ยังเรียกหาของชอบนั่นแหละนะจนกระทั่งกลายเป็นว่านะมันมีอำนาจเหนือเรานะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเวลาเราลองสำรวจตัวเรานะว่าอะไรที่เราชอบบ้างนะแล้วก็เราปล่อยให้มันมาครอบครองใจเรามากน้อยแค่ไหนนะใหเวลาไปตักอาหารเนี่ยถึงใช้ว่าพิจารณาอาหารนะนะไม่ใช่พิจารณาเลือกกินของที่ชอบนะแต่ ให้เรานะเราลึกว่าเรากินเพื่ออะไรนะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะไอ้ของชอบเนี่ยก็ต้องพอประมาณนะต้องรย้จักพอประมาณแต่มันท้ามใจได้ยากนะเพราะมันชอบเจอแล้วเนี่ยนะพอชอบเสจอแล้วนี่มันก็อา่ายิ่งได้มากยิ่งดีแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นโทษกับเราแล้วสุดท้ายเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ของที่ไม่ชอบเนี่ยอย่าไปกังวลกับมันมาก กังวลหรือว่าระมาระวังของที่ชอบเนี่ยจะดีกว่าเอารักก็เตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุมพังขอยถ้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคว่าเมวาสมิชตูจองสามเร็จโดยชาพรชาเพผูเรนตุสังกับาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโนปนาราโซยาาัาเหมือนพระจัน์ในวันเพน มณีโชติราชยธาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวยควรดินดีสาพิทยวิวาชนตุวควานจานไรทางพวงจงบำราชไปสาพโรควินาสตุโรคทางพวงของท่านจงหายมาเจอพวตวันตารายอันตารยามีแก่ท่านที่คอยอยู่กพว่า ด้นดงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนนสีเลสนิจังวุฒาปัญญโยชาตารธ ม, มาวันธานทีอายุวันโนสุขังพลานามสี่ประการคืออายุวันณาสุขะพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ิาวันตุสานพมังคลัง ขอสาพะมงคนจงมีแก่ท่านตุสาเาเทวตาปาราเววาทวดาทั้งหวงจงรักษาท่านสาพะพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพะธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพะสังขานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สาธสาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านลูกเมื่อเธอ